สิ่งที่สำคัญก็คือใจเรามาเรามาวันนี้เรา้รงขอเป็นสือ่อให้กับพระพุทธเจ้ามหาวกคุณมาพักกันรักษาใจนะพวกเราไม่เคยรักษาใจใจนี้ใช้อย่างตะบีตะบันเลย ใช้ไม่ถูกทางเลยมีบุรุษคนหนึ่งเข้ามาในเมืองมนุษย์เข้ามาแล้วมาสั่งไม่ให้พวกเราใช้ความโลกความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทท่านเขียนไว้ตั้งแต่ต้นทางแล้ว คุณทั้งหลายพบชาตินี้พวกคุณได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในเมืองมนุษย์รู้สึกว่ามีหลากหลายกว่าพบอื่นใดทั้งนั้นพยายามระวังตัวบุษุษคนนี้ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่าย ที่มานั่งอยู่ตรงนี้เหตุมันเกิดจากอดีตชาติแล้วผลมันถึงได้มานั่งอยู่นี้ทีนี้ได้มาแล้วต้องใช้ให้เป็นใช้ไม่เป็นติดคุกใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกทางใช้ให้ถูกศีลถูกธรรม แต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งนะบุรุษคนนี้บอกว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ร่างกายคือจิตใจตัวนี้ตัวสำคัญจิตใจตัวนี้ถ้าแก้ไขยังไม่ได้เขายังเป็นนักเลงประจำตัวเราอยู่ใช่ไหมเขายังเป็นคนผ่านประจำตัวเราอยู่ เขายังเป็นนักต้มตุ๋นหลอกลวงประจำตัวเราอยู่นักเรียกรอมต้มตุนหลอกลวงนักเลงโตวเขาเป็นได้ทุกบทบาทคนคนนี้พร้อมที่จะรับได้ทุกสถานาการณ์ในเมืองมนุษย์ใช่ไหม คนคนนี้เป็นคนที่สำคัญมากพรจะพุทธเจ้าบอกว่าคนคนนี้ถึงมนุษย์จะมีเป็นหลายแสนล้านคน <c oughs> คนสำคัญมีอยู่คนเดียวนี่แหละถ้ารักษาถูกทางเขาก็จะพาเราไปพนิพานหลังการตาย รักษาไม่ถูกทางหรือว่าไม่รักษาเสียเลยเขาก็จะพาเราไปเป็นเปรตเป็นผีเขาก็จะพาเราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทีนี้พวกเราไม่เคยรักษาใจกันเลยจะทำยังไงจะไปที่ไหนงานศพงานแต่งที่ไหนก็ต้องมาแต่งนะ้าแต่งตา ใส่เสื้อผ้าอาอนซ้ายแล้วก็แล้วขวาแล้วก็แล้วหลังทุกด้านใจอ่ะกุกครีอยู่กับน้ำโคลนน้ำคำมองไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยโศกกระปรกเเลยเต็มไปด้วยความโลภ ค, ความโกรธความหลง ใครพูดอะไรสักหน่อยก็ไม่ได้นะใจที่สกโปกนี่นะมันจะเอาเรื่องอย่างเดียวนังชื่อว่าโสกโปกมาถ้าใครพูดอะไรเนี่ยนิเย่เอเออเริ่มสะอาดแล้วเริ่มสะอาดเริ่มจ่องเห็นเงาตัวเองแล้วถ้าเฮ้อเมื่อกี้ได้พูดอะไรเนี่ยอ๋อยังเพราะฉะนั้น อยู่ในคนคนเดียวเดี่ยวมันมีอยู่สองคนนะ่ะมีกายกับใจทีนี้ผู้ที่จะเข้าไปรักษาก็เป็นเราเองเดี๋ยนี้จิตใจอะ่ะเขามีองค์ประกอบเยอะโดยเฉพาะร่างกายเป็นองค์ประกอบของจิตใจร่างกายประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ประกอบไปรู ป, รปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบไปด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจประกอบไปด้วยสมอง <c oughs> ส่วนที่กล่าวมานี้เป็นองค์ประกอบของจิตใจทั้งนั้นแต่ที่นี้ผู้ที่สำคัญที่สุดคือใครสติ สติสติของพวกเราเ น, นี่ยนะมันไม่ได้อยู่กับตัวนะลองนึกถึงพวกคุณไปเดินในเซ็นทัลนะพวกคุณจะเป็นคนที่ไม่มีสติเลยนะคุณจะมือล็อกตาก็มองหูก็ฟังไปเรื่อยๆไม่มีสติเลย สติของพวกเราเนี่ยมันจะมาเร็วที่สุดตอนเขาดา่าตอนที่ถูกดา่ามันมาแบบอัตโนมัติแล้วก็เรวมากทีนี้สติของพระกรรมฐานเนี่ยเพื่อน้เอามาควบคุมความคิด มาควบคุมความคิดมารู้เท่าทันความคิดแต่พวกเราก็ฝึกไม่ได้เพราะฝึกไม่ได้จิตใจก็ตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงอยู่อย่างเก่าจะทำยังไงแต่ทางส่วนหนึ่งนั้นก็ศรัทธาพร้อม ที่จะเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ได้พากันฝึกสติเลยถ้าขาดสติเสียอย่างเดียวจิตใจไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาได้เลยเขาจะคลุกเคล้าอยู่กับขี้ตมขี่โคลนดูดน้ำโคลนน้ ำ, ำําป้ายเสียไปกินไปทิ้งไปเป็นหิตใจที่จรนจัดพนเนจร ร่างกายอันนี้เป็นที่พักของเขาเฉยๆเป็นที่ฝากกระเป๋าฝากกระเป๋าไว้เขาก็ไปละหาเสบหากินถ้าจะปล่อยให้เขาไว้ในลักษณะนี้เองเขาจะเป็นคนดีไม่ได้เลยเขาจะเป็นดีไม่ได้เลยนะรับรองว่าไม่พ้นอบาท ถ้าจะปล่อยให้เขาอยู่ตามยะถากรรมนี่นะสภาวะที่เขากำลังปั่นแล้วก็เสีกินไปเสษไปนี่คือระดับที่เขาจะไปหลังการตายทำไมหมามันไม่เกิดเป็นมนุษย์หมูหมากาไก่พวกเป็ดพวก ทำไมเขาไม่มาเป็นมนุษย์เขาบอกว่าบุญเขาไม่พอข้าพเจ้านี้อยากเป็นมนุษย์เต็มที่อยากขับรถอยากเที่ยวแต่บุญมาไม่พอถ้าพวกนั้นถามคืนว่า ทาพวกนั้นถามคืนว่าท่านนะ่ะเป็นมนุษย์นะเดี๋ยวนี้นะพอท่านตายจากมนุษย์เกิดบุญไม่พอท่านจะไปไหนก็เป็นเพื่อนกันนี้แหละเนาะ เกิดมาหลายชาติแล้วนะมันเป็นอย่างนี้มาหลายพบหลายชาติอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากมันเป็นมาเป็นกลับเป็นกันเป็นนับไม่ถ้วนแล้วละ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันตั้งอยู่เดี๋ยวนี้มันบางตัวเท่เฉยๆนะออกจากเมืองมนุษย์ไปนี่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอนะ่ะมันก็จะไปเป็นอย่างเกา่านั่นแหละเพราะฉะนั้น โอกาสทองนะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นนักกีฬาก็ชิงเหรียญทองเหรียญทองอเรยทองโอลิมปิกสี่ปีต่อครั้งเนาะอันนี้ไม่มีกำหนดนะไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็เกิดมาแล้วจะเจอพุทธศาสนาหรือไม่ก็ไม่ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นโอกาสทอง จะชิงเหรีอทองทั้งๆ ท, ที่เราเราเป็นต่ออยู่แล้วเดี๋ยวนี้นะเราเป็นต่ออยู่แล้วแต่ถ้าพลาดนะเอา้าถ้าพลาดยุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ออกจากเมืองมนุษย์ไปเนี่ยไม่อยากให้ออกไปแบบปลีป๊ย อย่างน้อยๆต้องมีมารายครองใจอย่างน้อยๆก็ต้องโสดาบันจะทำยังไงอ่ะถ้ามีโสดาบันเป็นมารายครองใจออกไปคิดปิญญาณดวงนี้สุดแสนที่จะเท่เลยนะเท่มาก พวกเราทำอะไรกันอยู่เมื่อไหร่จะตื่นขึ้นมาช่วยตัวเองกระชากจิตออกจากอารมณ์ทั้งหลา ย, น, ยนี่คือการภาวนานะถ้าเราผู้เป็นเจ้าของไม่เข้าไปช่วยตรงนี้ไม่มีใครช่วยได้ไม่มีคาถาไหนจะมาเสกสันให้จิต ตราศจากอารมณ์ได้ไม่มีร่างทรงไม่มีไหนๆทั้งนั้นในนั้นตัวของเราจะเป็นผู้เข้าไปช่วยเองแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณบุตรงทรงคุณธรรมยังช่วยให้ไม่ได้จะบอกให้เมื่อไหร่แล้วจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ เข้าไปประคับประคองเขาออกจากอารมณ์เหล่านั้นถ้าปล่อยให้เขาเสพอยู่อย่างเงี้ยเป็นงานเดิมของเขาถึงเขาไม่มาถึงเมืองมนุษย์เขาก็เสพอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเนี้ยมาถึงเมืองมนุษย์มันเป็นสถานที่ที่จะต้องแก้ไขกันได้ถ้าเราไม่สนใจที่จะแก้ไขในเมืองมนุษย์ก็ ค, คือจบ จบเราไปช่วยเขาออกจากอารมณ์มาอยู่ที่กายประคับประคองเขาให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิจากนั้นครูบาอาจารย์เพื่อนก็จะช่วยอีกระดับหนึ่งถึงจะประคับประคองกันไปได้นะแต่ตรงนีนะ้เป็นหน้าที่ของส่วนบุคคลจะบอกให้ เราโกรธคนอื่นมีสั่งให้คนอื่นโกรธแทนเราได้ไหมไม่ได้มันเป็นลักษณะนี้เราต้องรู้เองดับเองเพราะฉะนั้นจิตที่ท่องเที่ยวอยู่นี้ต้องเข้าไปช่วยเองจะทำยังไงเอา เราสงสารพวกคุณนะพวกคุณมีศรัทธาประจำตัวอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีคนที่จะแนะนำถ้าพระพุทธเจ้าจุงมือของชาวพุทธเข้าสู่มหาวิทยาลัยของพระนิพพานตึมเลย ประเทศไทยก็หลงปู่มั่นเรียนจบไปแล้วหลวงตาบัวก็จบตามหลวงปู่นั่นก็จบไปจบไปเดี๋ยวนี้หลวงพ่อวิริยังนี่จุงมือพวกเราไปบันไดพนิพพานเลยนะเดี๋ยวนี้นะอริยะสาอริยะเสือก็น่ะนะแต่ขึ้นไม่ได้ ข, ไไดขึ้นไม่ได้ก็หมายถึงว่าช่วยตัวเองไม่ได้ ช่วยตัวเองตรงนี้ไม่ได้ถ้าช่วยตัวเองได้ตรงนี้นี่สมาธิพร้อมที่จะขึ้นทันทีนะก้าวเดินขึ้นทันทีก้าวเดินขึ้นทันทีถ้าพูดเรื่องของใจไม่มีอะไรจ ะ, ม, ระมีประสิทธิภาพเท่ากับเข้าไปรู้ พวกเราต้องการอะไรกันอยู่เราบอกว่าให้พวกคุณมอง ร, บรอบๆโลกไม่เฉพาะประเทศไทยนะรอบโลกโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้จีนล้ำหน้ามาทางวัตถุที่แน่ๆก็คือยูโลูอ่ะอย่างเช่นรถ ยนอย่างนี้มาจากยุโรปไม่แต่ที่ห้อดีๆมารอบรอบโรคอะ่ะมันไม่ใช่เลยอนะ่ะมันไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาจะได้เลยนะ่ะมาชมเฉยๆก็จะไปถึงแม้ว่าสู้มาจนได้มาครองว่าเป็นของเราอะ่ะ ในทางสมมุติแต่ชัางวันหนึ่งก็ต้องจากกันโดยปริยายพระพุทธเจ้าบอกว่าสมบัติในโลกนี้มีมากตอบมากแต่ไม่มีสิ่งใดเป็นของใครสักคนเลยไม่มีสิ่งไหนที่จะเป็นของใครสักคนทุกคน เวียนว่าตายเกิดมาถึงวันนี้จะออกจากเมืองมนุษย์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหยิดเอาอะไรสักชิ้นเดียวเลยเดี๋ยวนี้พวกเราคนไาวกับสิ่งที่เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้คือการรักษาใจไม่เอาเมื่อไม่เอาในการทำบุญวันนี้เป็นวัน ธานน้ำม่ศิล้ใหม่น่ะรำวัดสมนน้หมนะวันนี้น่ะแล้วอายุของพวกเราก็ผ่านหนาวผ่านร้อนมาถึงขนาดนี้เราว่าน่าจะคุยกับตัวเองให้มันรู้เรื่องเสอะนะว่าจะตายฟรี หรือว่าจะหามอะไรคล้องใจเสียดายเสียดายโอกาสเสียดายมาถึงเจอาศาสนาแบบเต็มรูปแบบถ้าปล่อยให้ตัวเองตายฟรีก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเสียดาย ถึงไม่ได้อธิษฐานก็โผล่ขึ้นถ้ากลางของพุทธะธรรมสังฆะแล้วหละเดี๋ยวนี้นะแต่ไม่มีการแก้ไขเกิดขึ้นก็เท่ากับไม่เจอน่ะเท่ากับไม่เจอจะทำยังไงก็รู้ใจไปด้วยที ให้มันตั้งอยู่แล้วก็ให้หูฟังเนี่ยตัวนี้มันก็จะหมุนหมุนหาเหตุหาผลอ่ะหมุนหาเหตุหาผลระหว่างคำพูดที่ได้ยินมันก็จะหมุนไปเา้าใครมีอะไรถามเรารักษณะคุยกันดีกว่านะ ที่เราปอนะาไม่จำเป็นต้องไป่งเป็น้องปอนะาว่าก็มีระจากย์พูดมาว่าเราต้องมีตํตลอดเวลาข้งสาใจต้องกลัวคุณจะเข้าใจไหมแหละทุกคน ดูการเต้นของหัวใจได้ไหมหัวใจนี้เราจะรู้หรือไม่รู้เขาก็เต้นอยู่แล้วล่ะเรานอนหลับเขาก็เต้นอยู่เขาเต้นอยู่ตั้งแต่วันปฏิสนที่ถ้าตัวนี้ไม่เต้นก็คือ ทีนี้ให้พวกเราเอาความรู้สึกไปไว้การการเต้นของหัวใจดูการเต้นของหัวใจให้ได้ทุกครั้งที่เต้นอ่ะถ้าจะถ้าจะเอาความรู้สึกแบบของอัตมามันจะไม่มันไม่มีรูปร่างสถานนะทีนี้ให้ ให้มองการเต้นของหัวใจแล้วก็รู้รู้รู้พอได้ไหมเวลาคุณทานข้าวอยู่คุณคิดเรื่องอื่นได้ไหมเรื่องของคนอื่นได้ไหมเวลาคุณขับรถอยู่ คุณคิดเรื่องของคนอื่นได้ไหมทําไมจะคิดเรื่องของตัวเองไม่ได้ทําไมจะคิดเรื่องของหัวใจไม่ได้มองการเต้นของหัวใจแล้วก็ใช้สติเช็คดูว่า มีอารมณ์เจือปนไหมถ้ามีอารมณ์เจือปนให้เราตั้งสติให้แน่นหนา่อยมองเข้าไปถ้าจุดที่เรามองชัดเจนอารมณ์เหล่านั้นก็จะตกไปได้ไหม เขาจะบอกให้ตัวออกไปเสีบอารมณ์นี่แหละตัวที่ไปโกรธคนนั้นเลียดคนนี้ชอบคนไม่ชอบคนนี้ตัวนี้ละ่ะตัวการทายังไงจะจับเขามาอยู่จุดที่หัวใจเต้นได้ถ้าจับเขามาอยู่ที่หัวใจเต้นได้ตัวนี้ละ่ะ ที่เขาเรียกว่าผู้รู้ตัวรู้ที่จะเป็นสมาธิกว่าตัวนี้แหละตัวนี้แหละจะเป็นสมาธิถ้าจะไปพันธุ์านกว่าตัวนี้แหละถ้าจะอพาเราไปเจอเป็นเบ็เป็นทีกว่าตัวนี้แหละตัวที่ท่องเที่ยวอยู่นี่แหละ จิจใจนี่นะแหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นนักเสพติดทางอารมณ์ทํายังไงเราเป็นผู้เป็นเจ้าของจะเข้าไปกัดกั้นเขาได้จะเข้าไปหยุดเขาได้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะสติก็ไม่มีตัวตนเป็นการฝึกความสามารถเฉพาะตนเลย เข้าใจไหมอยากด่าตัวเองเนาะไม่มีใครสอนเลยก็เข้าไปเห็นได้เนี่ยไม่ได้อันนี้พอ ท, ท, ทมากกว่าจับมือเขียนอีกนะนี่นะยางว่องยางบีดหูบอ ตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละทํายังไงพวกเราจะมีวิธีการส่วนตัวก็ได้นะวิธีการส่วนตัวก็ได้จะจัดการกับนักเศรษฐิดตัวเนี้ยสวดมอนต์อยู่มันยังเท่อยู่ในมึกเรื่องมันไม่เอากับเราเลยนะ นั่งภาวนาลงไปที่มันมาแล้วอา้าวนั่งทำไมอ่ะพรุ่งนี้ก็จะไปทำงานอยู่นะเกิดง่วงมาททำไงมันมายกแม่น้ำทั้งห้ามาเลยนะเนี่ยคือด่านแรกนั่งพุ๊บลงไปไม่ถึงห้านาทีอนะ่ะมันมาแล้วนะด่านแรกที่จะมาเกี้ยกล ม, มกระชิบกระซาบพา เรื่องมาที่จะให้เราหยุดจนได้อะใชุ่ดท้ตายก็เอาหมอนมาจะทำยังไงพวกเราแพ้ตัวนี้มาตลอดนนเรื่นนะแพ้มาแพ้มาแพ้มาสุดท้ายจสกปอนแพ้ ยกสุดท้ายนี่ตายเลยนะจะทำยังไงให้พวกเรานึกถึงชีวิตหลังการตายอะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะน่ากลัวแต่เราก็ผ่านมาหมดแล้วลหละถ้าถามว่าตายไปแล้วอยากเป็นเปรดไหม ไม่เนาะจะทำยังไงอะ่ะเรากลัวสิ่งที่เราไม่อยากเป็นนี่แหละมันชอบเป็นเรากลัวเราไม่อยากให้เป็นอะไรเลยะ เราอยากให้ตามอริยะสามโมกไปเถอะเขาไม่อยากให้เป็นอะไรเลยเดี๋ยวนี้มันมีซอยเลี้ยวขวาเนาะพวกเราตรงมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้ตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆ เ, ยๆเดี๋ยวนี้มีซอยเลี้ยวขวานะี แล้วก็ปายติดตัวงคือใหญ่มากลูกสอนชี้ชัดเจนเลยพ่านนิพานถ้าตรงไปก็ปกติธรรมดาเดี๋ยวนี้มันมีเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือเข้าสู่ ถนนเข้าสู่พรนิพพานนี่มันเป็นวันเวนะไปแล้วไม่มีใครกลับออกมาเลยไปแล้วเลยไม่มีใครสวนออกมาเลย <c oughs> เป็นวันเวถนนนี่สะอาดมากแต่ถ้าไม่มีบุญเหยียบเข้าไป เท้าข้างเดียวเยียบเพราะไปงายตึงเลยนะงายตึงเลยไม่มีสิเดินเพราะเราจะทำอย่างไรศรัทธาจะใช้ได้บออว่าใช้ได้ขอให้เพิ่มการปฏิบัติแล้วก็ถูกวิธีการน้าบองว่าไปเลย เราไปเลยชวดาละกี่อย่างสามอย่างแค่นั้นลกกระทาเนี้ยังไปหลายประเทศแล้ว <c oughs> แค่กำหนดอยู่จุดเดียวนี้ก็สามอย่างนี้ก็ เริ่มเสื่อมคุณภาพลงไปแล้วไม่ต้องมีการละสร้างพลังจิตอย่างเดียวจิตมีพลังเขาจะมีระดับสูงกว่าเองไม่มีการละเหมือนการความอิวอิ่มกับความหิวนี่แหละ เมื่อความหิวเกิดขึ้นเราก็ไม่มีหน้าที่จะไปละไปสอดไปสอนเองเลยนีอยู่อย่างหนึ่งคือทานข้าว เ, เข้าไปเรื่อยๆพอทานเข้าไปสักแป๊บหนึ่งก็จะรู้สึกว่าความหิวลดคุณภาพลงทันทีทานข้าวเข้าไปชักนิดหนึ่งความอิ่มกับความหิวเขาก็จะจัดการกันเองถ้าเราทําถูกวิธี ความอิบมันก็มาทันทีถ้าเราทำถูกไม่ถูกวิธีความหิวมันก็มาทันทีทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาถอดมาถอนความโรคความโกรธความหลงก็เหมือนกันไม่ใช่เรื่องที่จะไปถอดถอนมีอยู่อย่างเดียวคือยกระดับจิตของเราให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ กชาศาสนาเท่านั้นที่จะยกได้ส่วนอื่นไม่มีที่จะยกนะโลกนี้เขาก็ตั้งอยู่อย่างนี้แหละเราสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์หนีจากโลกนี้เขาก็ตั้งอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะดับไปพร้อมกับการดับของใจเรานะเพราะฉะนั้น เรามาพาพวกคุณแหกสนามโลกแห่งความหลอกลวงนี่หนีน่าเดี๋ยวนี่นะแหกสนามโลกแหกสนามกรรมนี่แหละคือวิธีตัด ก, กรรมตัด ก, กรรมโดยตรงเลยถ้าถึงที่สุดแห่งกิตใจเนี่ยกรรมที่เหลืออยู่ก็โมฆะทันที โมฆะทันทีโมฆะกรรมทันทีนะี่ยเราไม่อยากให้พวกคุณไปต่อนะมันพระพุทธเจ้าอดีตแคตล็อกของมัตต์ให้พวกเราศึกษาพัสังเกตอยู่นะว่าพบนั้นเป็นอย่างนั้นพบนั้นเป็นอย่างนั้นพบนั้นเป็นอย่างนั้นนะ แต่ล้วพบพระภูมิมาเปรเจ้ายกขึ้นมานะ่ถ้าพวกเราฝืนยังจะไปอยู่นี่ก็เออไม่มีคำที่จะพูดกันถ้าพวกเรายังฝืนที่จะไปอยู่และ ว, ว่ารักษาเถอะกลับเถอะไม่มีในเมืองมนุษย์ก็ยังเจ็ด ยืมเงินดอกได้นะไม่ม i mean. ีในเมืองนอกมนุษย์จะไปยืมใช้มีแต่หิวแต่หัวยไปจิตใจนี่เขาไม่ตายแต่ทรมานด้วยการหิวอยู่ตลอดตลอดก็เหมือนอย่างเมื่อช้าเนี่ยได้ยินครัว่าอีมาเนี่ยมายังพันเตีอยกมาแล้วนะพัฒนตานี่ชาปนิวารานี่ก็มาแล้ว ก็ไม่ได้อะไรอ่ะจะทำยังไงเราะว่าอย่าตายใจกับความเจริญของโลกอย่าตายใจกับวัตถุสิ่งของอย่าตายใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เถอะถ้าตายใจกับพวกนี้เราจะไม่ได้อะไรเลยส่วนที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐนั่นคือ ความบริสุทธิ์ทางใจจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพูดง่ายๆคือเราทำข้อสอบในภาคปฏิบัติเพื่อจะไปพระนิพพานคือรักษาใจสมดุลอยู่นะเราว่านะสมดุลอยู่ มีค่าจ้างรางวัลมันก็จะโอ้โหตายเลยสมดุลอยู่อาศัยความสามารถของตัวเองสมดุลใครจะคุยอะไรบ้างมีไหม ถึงเป็นความนิ่งก็กล่อยให้เขาหมุนไปเลยคาั้งหนึ่งล้วก็จะหยุดทั้งหมดทำเป็นอีกนะกำหนดเข้ามาหมาัวเชืเส้นก็ได้นิ่งอยู่ตัวหมุนก็ไม่ต้องไปใส่ใจให้เขาหมุนเลยจะหยุดนิ่งมันไม่ กินนิ่งนี่มันโอ้มันไม่ใช่ธรรมดานะแ็ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งสว่างสมัยอย่างเดียวนะ ถ้าลืมตัวเองถ้าลืมตัวเองอตายถ้าลืมตัวเองเขาออกไปแล้วดึงมาเนี่ยเป็นการฝึกนะถ้าคนที่เกียร ด, ดึงมาแล้วคือนคนที่เกียดติฝึกเหมือนเด็กอ่อนเขาจะหัดยืนะเขาลุกทีไรก็ล้มตึงลุกทีไรก็ล้มตึง การลุ ก, กล้มอยู่ตลอดนั่นคือเพิ่มพลังคุณดึงออกไปแล้วดึงมาออกไปแล้วดึงได้แล้วก็ดึงมาออกไปแล้วดึงไแล้วก็ดึงมานี่คนจะได้สองอย่างคือพลังสติหนึ่งอยงที่สองคือลดการเษสษติดทางอารมณ์พลังเสด็ติดทางอารมณ์ไปพร้อมๆกันสตินี่ถ้าเขา มีพลังมากยิบตัวนี้ยิบเยับขึ้นมาเขาตาดโชวเลยนะเขาตัดโชว์ตัดโชวยังไม่เป็นเรื่องอะไรเลยเขาแบบอัตโนมัติเลยนะมันเป็นเซฟตี้คลาสเซฟตี้คลาสตัวนี้ไม่ใช่ตั้งตั้งตั้งแอมนะตั้งแอมนี่ยัง ทำงานช้าเขาตั้งเป็นมิลลิแอมไม่แย่ไม่ได้เลยพะเลยนะตีตัวนี้ถ้าเขามีพลังมากเีดกิดที่นี้มาจยังไม่มีเรื่องอะไรเลยเขาตัดชั่วแหละตัดชั่วตัดชั่วตัดบ่อยครั้งเอาขาดทีนี้ขาดไมคิดไม่คิดแล้ว แต่ถามว่ามีเรื่องที่จะคิ ด, คดได้ไหมคิดได้ทันทีแต่คิดดบเรื่องนั้นแล้วเขาพบมาเลยเขาไม่ไปเที่ยวอย่างก่อนนะ้วถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เอารอชั่วโมงถ้าชั่วโมงเต็มแล้วเขาจ ะ, สะแสดงอาการอีกอาการหนึ่งออกมาเอานั่งสมาธิตอนนั้นถ้าเกิดที่เาคิดิเรื่อยมาดึงกลับมาแล้วคที่มันจะาถาขาดได้ขาดุแสดงว่า เขาเริ่มดีขึ้นเขาไม่คิดจิตขาจากอารมณ์นี้ปตีตัวนี้จะกลายมาเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดเขาไม่ไปไหนเลยไ ม, ไม่คิดเลยไม่คิดเลยขนาดเล่าส่งออกไปเขายังเข้ามา เราก็ไม่รู้ใหม่ๆเราก็ส่งออกไปเอ๊ะทไมมันเป็นอย่างนี้ทาไมมันเนอย่างนี้ส่งไปส่งไปแล้วแบมาแมากับม า, บ ม, า, ม, ามาเป็นสะค้อนับเต่ถามว่ารู้ไหมรู้หมดคอามรู้ทีอยู่อย่างเก่าปกติแต่จิตดุุเบลอารมณ์ทันทีทีนี้รอรอชัมมอ่วโมงถ้าเขาเต็มชัมม่วโมงเขาก็จะห ม, มุนเลย ้าครับก็มีมอเตอร์อีใหญ่ๆมาติดอยู่นี่นั่งอยู่นี้ก็ท า, ายก็ว่าแผ่นดินนี้เป็นคลื่นเหมือนทะเลเลยเรก็ไม่รู้รว่าอีเกิด อ, อะไรขึ้นมันนี้เกิด อ, อะไรเพื่อนเกิดอะไรเพื่อนเราก็มันรู้จะทํำยังไงนะอารมณ์ขาดนี้เข้าไปหาอาจารย์เป็นบอกว่าไปส่ง ม, มันทําไมันขาดแล้วค้ามันอยู่แ่นะอาจาให้ผมทํายังไงต่อละครับ ก็ดูอยู่เฉยๆนั่นแหละคือการทำคนใหม่นี่นะอ้อก็เดินออกมาเลยก็มาดูอยู่ดูเออท่านลอยหมุนเนอะพอหมุนขึ้นนะคืเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้วาดลานวัดหนึ่งนะมันหมุนเหรอหวาดลานวัดเสร็จก็ไปแนละ้วกับสติพอมาวัดตะเกีเ ก, ก, กแล้วก็เดินเลยไ่ทางตรงผมมันมีเศษเล็กๆอยู่ ตั้งรุ่งขงห่ยกขายังไม่เสร็จเลยเป็นสมาธิปวดไปถึงอัปปนาสมาี้เลยหวดเดียวเลยแดด อ, อ๋อถึงได้มาปมปดหันย คือเราไม่อยากให้พวกคุณพระวักพรวงอยู่กับสมาธิน้ำสักน้ำสึมเพราะตรงนี้มันมันเกิดนีมลตวพวกคุณติดนิมิตไม่ใ่อะไร น, นะถ้าเอาลักษณะของเรานี่ขวดเดียวเลยนะมี่อัปนานสมาธิเลยถ้าค่อยมาทีหลังถ้าค่อยมากำหนดแท่นลงช้าๆทีหลังคิด ให้เรามีประสบการณ์ผ่านไปก่อนพวกนี้ไม่นึงเก็บไม่ค่อย้ังมายุถ้าติดนิดนแล้วมาอนสอนยาอนยามก็สอนมายาผมมันไม่ฟังเราเลยอ่ะฟังเราเลยอะ ก็ไม่เป็นไรเยี่งมันก็ได้นี่อะไรจะคุยข้างหลังเนี่ยอะไรไหม เขเลี้ยงไปก็ได้ไม่ใช่เก็บของเอียๆหลอกเนี่ยเอาเข้าบ้านอีกแล้วทักิีนปัญหามาถ้าโลวงปูราก็เป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยงลงปูราสั่งให้ทำกองคอนไว้ ทาก็มาแตะเป็นสองกนึงเต็มใจที่จะทำโคกนึงไม่เต็มใจที่จะทาคือคล้ายๆกับว่าอยากจะให้ครูบาอาจารย์ตายเร็วอายเอายุ่งกันนะสิหงพุทธาก็ลงมาแก้ปัา ทำไหมมันก็เป็นบุญมหาศาลแล้วเนาะดีกว่าไม่ทำเนือไม่ใใครจะมาเอาการกระทำนี้ไปรบกฎของความตายที่เขาให้มาแล้วเงินรางออกไปได้มาให้ตายเร็วตายช้าได้การทำไว้เป็นจร่งจริงจร มีอะไรอีกไหมไม่มีเพราะอะไรอ่ะเพราะฟังหมดแล้ว ปาสนาที่นี่ไม่มีกายเลยเขาจะมีจิตโลงเดียวสว่างสบายมองเห็นรอบทิศทางนี่คือเต็มภูมิจิตที่ผ่านการเป็นสมาธิถอนออกมาลักษณะอาการของเขานิ่งมากแล้วก็เป็นจิตที่อิ่มตัวทุกข์ ระระดับพูดง่ายๆิจที่ออกจากอั ป, ปนาสมาธิออกมาเนี่ยให้เขาอยู่คนเดียวทั้งมันไม่ได้พูดสักคำนี่พอดีเลยถ้ามีคนมาถามสักคำหนึ่งนี่โอ้แล้วก็สังเกตเห็นได้ว่าไม่อินตัวเฉพาะ อ, อารมณ์จิตที่ผ่านการเป็นสมาธิ คือจิตที่ไม่ได้อยากไม่อยากได้อะไรสักอย่างในโลกเขาจะเหมือนคนติดยาบ้าเสพยาบ้าเลยจะเป็นจุดกิมตัวที่มีความสุขมากที่สุดตรงนี้เราถึงว่าหวงพ่อไม่ไยังท่านก็ให้ ชือเฉพาะของหลวงพ่อว่าจุดพลังอำ น, นาจใช่ไหมแต่ของเรานี้เราให้ชื่อประจำตัวของเราว่าจุดเปลี่ยนเข็มทิศทางใจแต่ความเปลี่ยนแป ล, ง, ล, ปลงที่แล้วเขาจะเสดตั้งบนจะคือเสดทับจุดเปลี่ยนเข็มทิศทางใจแล้วก็จิตที่เข้าไปถึงอั ป, ปนาสมาธิ รสชาติของสมาธิจะเป็นอาหารที่มีโอชารสทางใจซึ่ง<ม>พวกเราไม่ได้เคยลิ้ม ร, รสชาตินี้เลยถ้าผูดด้ใดต้งทับทุกองตัวเองเข้าถึงความเป็นอัปปนาถึงจะได้ลิ้มรสชาติอันนี้ว่ามีโอชารสทางใจพราะทุนทางโภชนะอาหาร ทำอะไรกันอยู่บางองค์ก็บอกว่าถ้าใครประคับประคองจิตใจเข้าถึงความเป็นสมาธิพอถึงความเป็นสมาธิแล้วถอนออกมาคนคนนั้นหละคือได้รินรสชาติของพระนิพพานแล้ว ถ้าถ้าเอาธรรมะชั้นสูงมาจับพวกเรากําลังบริหารตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะว่าไงอย่างไม่รู้พวกเราคิดยังไงไม่รู้พวกเราคิดอะไรกันอยู่ถ้าเอาธรรมะ ปรมัตถธรรมลงมาจับจะได้คำตอบออกมาที่ว่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันอยู่เขาจะเอาอะไรกันแน่ <c oughs> เราเกิดขึ้นมามีกายกับจิตองค์ประกอบของจิตเราก็บอกให้พวกคุณได้ดูนะว่าทีนี้ถ้าเราไม่เอาจิตวิญญาณตัวนี้มาศึกษาสิ่งที่จะเป็นกำไรชีวิตหรือว่าทรัพย์สินหลังการตายเนี่ยจะไม่มีใครมารับรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยนะ จิตนี้เป็นตัวรู้ตัวเห็นทั้งตัวทรงไว้ซึ่งทำเหล่านั้นถ้าเราไม่เอาจิตวิญญาณตัวเนี้ออกมาศึกษาทำรู้ทำเห็นทำทรงทำจะไม่มีใครออกมาทรงรู้เห็นได้เลยเพราะฉะนั้น ทุกคนก็เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แต่ใช้ความเป็นมนุษย์เนี่ยมุ่งหวังที่จะสร้างความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบหารู้ไหมว่าตรงที่เรากํำลังมุ่งหวังเนี่ยพอเวลาตายสูญเปล่าเลยนะถ้าถ้าใช้จิตวิญญาณตัวเนี้ออกมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าตรงนี้จะเป็นกาไรชีวิตนะแล้วก็เป็นจุดจบของ ความเป็นชีวิตทั้งหมดทั้งมวล่ะอยู่เนี่ยการที่จะต่อไปก็เพราะไอ้ผีบาทนี่แหละทําให้สูงให้ต่าก็เพราะผีบาตัวนี้แหละทีนี้ท่านอาจารย์สารท่านดานนะท่านอาจารย์สารท่านด่า มันอะไรกรันพระเราเนี่ยมันอะไรกรันงานก็ไม่ได้ทำข้าวก็เอากระป๋อเหล็กไปขอเขามากินให้รักษากิตดวงเดียวไม่ได้เลยเหรอพระว่านะ่กิตดวงเดียวอะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเอาไมา่อยู่เลยเหรอมันโง่จะตายนะเนี่ยมนะ สา่เสันส์นั้นพูดจริงๆะนะมันพูดจริงๆการงานอะไรก็ไม่ได้ทำจิตดวงเดียวเขาไม่ได้แต่พวกเราขอให้ฝึกวิธีของอจตมาเอาให้นี้เถอะควบคู่กันไปเผอบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะถีเข้ามาเองถีเข้ามาเองถีเข้ามาเองสุดท้าย เดี๋ยวนี้พกเราขาดการรักษาใจอย่างเดียวนะเวลาจิตใจเราตกอยู่ในดงของความโกรธเราไม่เคยเข้าไปแก้ไขเลยเราไม่เคยเข้าไปดับเลยเราไม่เคยเข้าไปหาเหตุผลที่จะสรุปให้จิตดวงนี้ลดคุณภาพของความโกรธลงไปเลย หากจากนั้นยังไม่พอยังปล่อยให้อารมณ์ตัวนี้ถลุงจิตใจอะ่ะจนลดคุณภาพลงลดคุณภาพลงแล้วก็ลอยออกไปทุกอารมณ์ที่เข้ามาหาเราพวกเราไม่มีวิธีการที่จะแก้ไขได้เลยไม่เฉพาะความโกรธดะปล่อยให้อารมณ์นั้นหมดคุณภาพแล้วก็หลุดไปเอง อารมณ์ใหญ่ๆมักจะเข้ามาถึงเราอารมณ์เล็กๆนี่จิตใจมันจะเสพไปทิ้งไปเสพไปทิ้งไ ป, งไปถ้าคว้าได้ใหญ่ๆหนักๆเนี่ยเขาจะกรูกเข้ามาหาผู้เป็นเจ้าของทันทีเผาทั้งกายแล้วก็จิตไปพร้อมๆกันแล้วก็ทิ้งไปพอเข้าใจไหมถ้าอารมณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยวว่ามันเสียพไปกินไปเราไม่รู้ดั่งรู้เราเนะ่ คิดไปคิดไปคิดตอถ้าได้หนักๆแล้วเออมาแล้วรับอารมณ์หนักมาแล้วจนกว่าแต่ไม่ใช่ว่ามันจะออกไปแล้วไปเลยนะมันก็มาห า, างออกหางออกห่างออไปบางคนมาทำงานกลับบ้านไม่มีอะไรเลยมีแต่อารมณ์เต็มกระเป๋าเอาไปคิดอยู่ห้องนอนนอะไม่รับ ยิดรับอารมณ์เต็มๆหลวงปุ่หลวงไม่มองว่าผมนี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นว่านะใครมาเล่าอะไรให้ผมฟังผมก็ฟังแต่พอผมไปผมเอาทิ้งไม่นี่แหละเท่ <laughs> <laughs> ไหมล่ะเราเท่ จะมีจะมีสักกี่คนนะโอ้ยจริงจริงเพว่เล่าเนี่โอ้กระเป๋าก็เต็มมาแก็เต็มสบายอ้ร้องเนี่ยโอ้อุ้งฟูนี้เท่จริงๆอะนั่งอยู่ด้วยกันสองคนไม่ได้ถามนะมึงก็พูดออกมาเลยเนะี่ยนั่งอยู่บนฉั้นอาหารอยู่แล้วก็ได้มะเรงวันค่อยเช็ด มันเจะดีอยู่เป็นก็พูดออกมาแล้วโอ้โ ห, โหเป็นจิตที่เท่มากนะพวกเราจะเอากองไว้สักเรื่องเดียวยันเยอะยากๆอ้ามีมีอะไรสามไหมเพิ่มเติม มันก็ไม่มีเพศมีวันะว่าพระเจ้าก็จำกัดไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีเพศไม่มีวัยการบวชมันก็มีอยู่สองอย่างหรบวชกายกับบวชใจบวชกายคือนุ่มผมผมผมเหลืองผมผมผมขาวแก่นหนบวชกายบวชใจมันก็พุทธโเหมือนกันเนี่ย บวชกายแล้วไม่บวชใจมันก็เท่านั้นแหละสาคัญมันใจนะถ้าบวชใจได้แล้วก็บวชเลยมันต้องบวชมันภาละต่างกันผู้หญิงด้วยบ้งแคบด้วยไปไหนมาไหนโลกวัชชะก่อนจ้องกันอยู่ บวชใจดีกว่าลำบากหน่อยก็อดทอนพูดถึงเรื่องของการปฏิบัตินะเรื่องของการอยู่การจินเป็นธรรวัตจะเป็นวงกว้างกว่านักบวชนักบวชถ้าเป็นผู้ชายก็วงกว้างหน่อยหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิง <c oughs> แคบมากแคบมากจะไปอยู่ที่ไหนสขก็ไม่ไปรับนระาทุกวันนี่ไงถ้าไม่มี รู้ไม่เห็นกันนานจริงๆเขาไม่รับนะเพราะลักษณะเพศเขไม่เชี่นี่เพื่งพึงพาอาศัยพอที่จะหาโอกาสขโมยของในวัดกว่าเยอะนะทีพี่นะเอ้ะมันก็เป็นหลายหลายรูปแบบไปหาช่องทางหาจุดที่จะขโมย ของมันก็เป็นไปอยู่อย่างญา่ิโดมนี้ดีแล้วละวนะ่าถ้าค่อยเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆได้โอกาสก็สรัดมันบ้างแต่ให้ถูกทางแค่นั้นผู้หญิงเมันให้ร้มันระวังนะเรื่องการภาวนา ติดนิดๆแต่มันไม่ฟังครูบาอาจารย์เหมือนว่านะมันสอนยากเหมืนว่าอันนี้ทุกครูบาอาจารย์เนี่ยมันเตือนมานี่ยว่าผู้หญิงนี่มันถ้ามันเกิดนิมิตไม่ว่าใครอะนิมิตคือทิฏฐิกลายมาเป็นทิฏฐิทันทีทําเป็นทิฏฐิแล้วมันไม่โคตรโครครูบาอาจารย์ได้นะมันหนีเลยนะก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันอะ ถ้าเป็นลักษณะ น, น, นี้นะคืออยากให้พวกเราอยู่ในขอบในเขตเราในพยายามและมันรนะวังการพาวนาใ น, นเราจะตีกรอบไว้ไเลยนะจะ<ม>ไม่ให้พวกคนเปออกเกิดนะขนาดนี้มีนี่พอเราเรายังประกาศกัน้นพวกคนทุกรูปแบบนะจะไม่ให้เกิดเลยแต่มันก็พ้นไปไม่ได้ แต่ก็ให้เป็นผู้มีประสบการณ์ทางการภาวนาสักนิดหนึ่งเขาจะรักษาตัวของเ้าได้ถ้าเกิดนิมิตก่อนเข้าเป็นสมาธิเนี่ยยากถ้าเกิดนิมิตเรื่องของฌานของญาณในการรู้การเห็นอันนี้เกอนง่ายที่สุดความพิเศษทางใจแต่นิมิตยังไม่เข้าสมาธิเนี่ยโหยาก คนจะมิประลาดก็ตรงนี้แหละเพีย้ยนกว่าตรงนี้ต้องทิ้งส ก, กัดกั้นไม่ให้พวกคุณนั่งสมาธิให้กำหนดเอาจุดเดียวเลยงัพวกเปลี่ยนก็เหมือนกันผมนี่พวดเดียวเป็นมานนะ่ะนั่งพุ่งลงไปพื้นเดียวเลยถึงเอาปัญหาสมาธิเลย มันก็เป็นลักษณะเดียวกันกของเราของเราเปือเดียวของมันมันจะบุญเก่าบุนเออยอะด้วไงก็ไม่รู้นะแต่ของเรานี่อาศัยว่าปฏิบัติแบบอุกฤษะเรานี่คิดเรื่องเดียวไม่ได้เลยนะคิดเรื่องเดียวไม่ได้เลยเรานี่จ้องอย่างเดียวไม่ได้ เราใช้เวลากี่วันสองวันอารมณ์กับจิตที่ขาดเลยถ้าไม่ให้เขาเสียบอารมณ์สองสามวันเท่านั้นเขาขาดเลยมารอชั่วโมงเต็มชั่วโมงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งด้วยจิตขาดจากอารมณ์ ได้ไม่นานก็ขอโอกาสสนทนาธรรมกับท่านอาจ า, ารย์ขานเข้าไปสนทนาธรรมปุ๊บออกมาวันต่อไปก็เต็มช่วงแล้วเป็นสมาธิเราเริ่มต้นจากการภาวนามาคิดค้นหากว่าจะเจอผู้รู้เนี่ยเราใช้เวลาสิบสี่วันสิบสี่วัน คุณจะไม่ อ, อกุกติเหมือนเราแค่นั้นแต่ถ้าถ้าเราพูดอย่างนี้พวกคุณจะจะทำยังไงสมมติว่าตั้งเวลาไว้สองวันคุณกำหนดมาครึ่งวันมาพลาดท่าจิตเผือให้จิตออกไปเสียบอารมณ์แล้วมานับหนึ่งใหม่ ถ้าไป พ, พลาดวันที่จะขาดอ่ะมันัดหนึ่งใหม่อันนี้เราไม่เราไม่ให้มีเลยนะ่ะแสดง ว, ว่าเราตั้งสตินี่ปลายเป็นสายเลยนะปลายเป็นตา ย, ย, นะา ย, ตายมันทำพันไม่มีใครมาพูดถึงขนาดนี้นะเราเราหาเองนะ ก็หายเองกว่าจะมาแน่ใจคาว่าพูดรู้ตัวรู้ความรู้สึกเนี่ย้เวลาอยู่หลายวันเนะ่เอมต้องอันนี้มันต้องอันนี้มันต้องอันนี้มันต้องอันนี้ทั้งที่ไม่มีอะไรนะ่ะสำรวดความรู้สึกไาแล้วก็าจะมาดูอันนี้อันนี้ เรานั่งสมาธิเราก็มองดูเดินเราก็มองดูออันนี้อันนี้สุดท้ายใช่จริงอดีจที่ได้นั่งสมาธิเดินอย่ก็งเข้าไัเพื่อไป้ำวัดหรือว่าเดินไปันน้ไปที่ไหก็ใช่ะกัอ่วัเราจะไเอเลย นินทาบายนี่จนไม่รู้เรื่องรู้ราวบางทบางวันดูกับฐานของจิตดิจนเงียบสนิทเลยคล้ายๆกว่าไอ้ตนมันไปไหนหมดวันนี้เพราะอยู่อย่างเก่าเน่แต่มันเงียบสนิทเพราะเรากำหนดอยู่ยิ่งีถ้าขาดจากอารมณ์แล้วเ ข, ขาเหาะเลยเนะเหาะร่างกายหยาบๆยานี่นะ ลอยเลยนะเพราะฉะนั้นจิตจบอารมณ์นี้เป็นเครื่องที่หนักมากที่สุดถ้าใครปฏิบัติไม่ถึงคำ ว, ว่าขาดจากกานันนี้จะไม่รู้ว่ามันหนักมีมองแนละ้วโอ้